ถ้าเราเห็นคนของพระบรมศา ส, สดาได้เนี่ยก็อย่างคำว่าติเนี่ยนะมาจากคำว่าตินโนโยสะพะปะเปหีตินโนสขาปฏิทิโตติโรนิพานสังคาเตติขยานังนามามิหังพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงข้ามไปจากบาปธรรมทั้งปวง พุทธเจ้านะ่ะข้ามจากราคาโทสะโมหะมานาะทิฐิวิจิกิจฉาได้หมดแล้วทรงข้ามจากแม่น้ําแม่น้ําเนี่ยเป็นชื่อของสาครทั้งหมดนะเขาเรียกโลกียมหาสมุทรโลกียมหาสมุทรเนี่ยเป็นชื่อของกาลประกอบรูปประกบและรูปประกบโลกียะมหาสมุทรเนี่ยเราท่านทั้งหลายข้ามไม่ได้แต่พระบรมศา ส, สดานะ่ะข้ามได้แล้ว ประดิษถานอยู่บนฝั่งกาวคืออนุปาทาปณิพานแล้วตอนนี้พระบรมศาสดาไปประดิษฐานอยู่บนฝั่งแล้วกาวคืออนุปาทาปณิพานกำลังกวาพกหัเนี่ยพรกหัดพร ก, กหัดเรียกเราท่านทั้งหลายบอกว่าเดินตามท่านไปด้วยแล้วก็เข้าไปถึงฝั่งตามท่านนาทีเธออย่ามัวชื่นอย่ามัวหลงไหลหรือว่าวนเวียนอยู่ในโลกยมาสมุทร ห้วงน้ํามันเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิดในมหาสมุทรเต็มไปด้วยผีเสื้อน้ํำก็เยอะใช่ไหมสัตว์ร้ายนานาพันธุ์ก็มากราคาโทสะโมหะเยอะขึ้นในทะเลก็น่ากลัวเราเนี่ย น, นั่งสําเภาผิดลำมาเยอะแล้วพระองค์ก็บอกให้ขึ้นสําเภาทองที่มันตึงจะไม่โครงเพลง สัมภารทองลำใหญ่ที่พระบรมศาสดาแนะนําไว้ไงขึ้นมาแล้วจะป้องกันพยานอันตรายจะแหวกว่ายขึ้นโลกียหมหาสมุทรแล้วก็ข้ามถึงฝั่งเข้าสู่อนุปาทาปรินิพานที่พระบรมศาสดาประดิษฐานอยู่บนฝั่งแล้วพระพรมศาสดาประดิษฐานอยู่บนฝั่งกาวคืออนุปาทาปรินิพานได้แล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพยานข่มกล้า พุทธเจ้ามีพยานคมกล้าใช่จึงเห็นเส้นทางแล้วบอกสมเภาทองลำใหญ่ก็คืออริยมรรคนั่นเองนี่เราไม่ยอมกระโดดขึ้นอริยมรรคกันต่นี้เจอภัยใหญ่โตกันเยอะแยะหมดเลยอย่างคำว่าวาเนี่ยวานี่โดยมากก็เป็นชื่อของตัณหาก็ได้นะวาปินังวรังดมังวานโมคายพภิคูนัง วาสิตังปวาวเรดา ม, มวานหันตังนามามิหังข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ทรงหวานพระธรรมันประเสริฐแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุณีบาศกเลวบาสิกาทั้งหลายเพื่อให้พ้นจากวานะวานะนั้นเป็นชื่อของตัณหาตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดผูกสัตว์ให้ติดอยู่ในกามภพ รูปภพและรูปภพร้อยสยัตว์ที่ติดอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจร้อยสยัตว์ที่ติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมาลมอยู่ไหมร้อยสยัตว์ที่ติดอยู่ในทรัพย์สมบัติต่างๆในอัตภาพต่างๆในกระแสขันต่างๆในภพต่างๆในคติต่างๆไอตัววานาะเนี่อร้อยร้ายกาศมากนะักก็ร้อยสยัตว์ติดอยู่แต่ว่าพระบรมศาสดาเนี่ย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 ส่วนคำว่าข้าเนี่ยนะฆาตตเยนาสัต ด, ดัมโอฆตับยาเนนาปานีนังขานิยังวรังดา ม, มังคันหาเป็นตังนา ม, ามิหังพระสัตธรรมอันพระบรมศาสดาพระองค์ใดผู้มีพยานรู้ล่วงตรัสไว้ดีแล้ว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 อันต่างโดยเจตนาศีลเจตสิกสังวรอวิติกรมะดังที่ได้กล่าวแล้วคือการไม่ก้าวล่วงบาปประทมทั้งหลายเจริญจิตจิตในที่นั้นเป็นชื่อของสมาธิในชั้นของคณิกาสมาธิอุปจารลสมาธิและอัปนาสมาธิคือสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วอบรมวิปัสนาปัญญามีความเพียรความเพียรก็คือตัวสมบัติฐานสีนั่นเองมีปัญญาบริหารตนปัญญาที่เป็นไปใน ฐานะเจรวมทั้งเอียบอดสีด้วยเจดบกสี่ก็เป็นสิอนั่นแหละนั่นแหละบริหารตอนอยู่บริหารตนเองให้อยู่ในสิขาสามเดินยังไงยืนยังไงนั่งยังไงนอนยังไงให้เป็นมัชิมาปฏิปทาก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลียวคู่เข้าเย็ดออกบริหารตอนอยู่อย่างนั้นแล้วนะพึงถางโรคชัดโรคชัดไปชื่อของตัญหา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 พยานเนี่ยเป็นพระพุทธคุณคุณของพระผู้มีภระเจ้ามีมากเลยใช่ไหมใครสารเสริญพยานของพระพุทธเจ้าภาษาลิบุตรเบาสารเสริญพยานของพระพุทธเจ้าตั้งแต่อโนพระอนุมัตสีสมมาสวดิเจ้าใช่ไหมภาษาลิบุตรสารเสริญอนนาวรณายานอินตริยประปโรปริยติยานสัพพยุตยานของพระพุทธเจ้าเป็นต้นบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาฉับเร็วมีปัญญาแหลมคมมีปัญญาอย่างหาเครื่องกําหนดไม่ได้เป็นต้น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 เราก็รีบกลับไปชื่นชมบัญญัตของพระเจ้าเยอะๆจะได้เป็ น, นปัจจัย ก, การตัดสู้ใช่ไหมก็ภาษาลิบุตรทําเป็นตัวอย่างแล้วว่าภาษาลิบุตรเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าน้ําในมหาสมุทรเนี่ยอาจจะคํานวณได้ใช่ไหมว่ามีกี่ลูกบาศก์เมตรแต่ใครจะคํานวณปัญญาของภาษาลิบุตรไม่ได้อันนี้ภาษาลิบุตรนะเมะล็ดทรายในมหาสมุทรเนี่ยคํานวณได้ แต่จะคำนวณปัญญาของภาษาริบุตรไม่ใช่ฐานะจะคำนวณได้นี่แปลว่าอะไรที่ท่านได้ฐานะตรงนั้นมาแล้วท่านก็บอกว่าท่านผู้นี้นี่นะจะเป็นพระเจ้าจาักรพรรดิพันครั้งจะเป็นพระเจ้าเอกกราชเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนว่าไงไล่ไปตามลําดับเนี่ยจะไม่รู้จักทุกข์เทียบว่าไงเถอะสิ้นแสนกลับอะแล้วบอกในพบสุดท้ายนี่เนะด้วยอา น, นิสงส์แห่งการพสรรเสริญคนของของเราเนี่ยนะ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 ความงามของต้นไม้หายไปเลยส่วนหนึ่งนั้นแหละคือบุญที่เกิดขึ้นจากการสรรเสริญพยาณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอันจิตเจรศิกทั้งหลายเล่นไปในอารมณ์ไม่ใช่ไม่มีอารมณ์อันอารมณ์เป็นสิ่งที่พึงรู้เป็นสิ่งที่พึงรู้หามิได้แม้พยานที่เล่นไปในสิ่งที่พึงรู้ก็อันหาประมาณมิได้ก็หาประมาณมิได้เพราะฉะนั้นลักษณะย่อมอยู่ในฐานะที่พึงกําหนดมิได้อยู่ในอากาศดังนั้น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 ส่วนพระธรรมทั้งหลายจิตเจตสิกทั้งหลายที่ประกอบไปด้วยสรรพนิจญาณ น, นั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าไปด้วยเพราะเป็นความบริสุทธิ์แห่งแห่งพยานเลและซึ่งเป็นธรรมที่ก่อเกิดร่วม ก, กันกับพระยานนั้นแม้รู ป, ปากายของพระบรมศาสดาเป็นที่อาศัยของพระยานนั้นก็พลอยหมดจดและบริสุทธิ์เป็นต้นด้วยฉะนั้นคุณของพระพุทธเจ้านั้นก็คือว่ามีมากท่านกล่าวไว้บอกว่าเพราะพุทธคุณทั้งหลายนะั้บริสุทธิ์ เพราะว่าพระพุทธคุณทั้งหลายเนะี่ยเข้าถึงภาวะเป็นหนึ่งเดียวโดยลักษณะเพราะฉะนั้นพุทธคุณทั้งหลายก็คือพุทธญาณสิบสี่เวณิกระทามสิบเป็นต้นเหล่านี้นะเวสาลัชญาณสี่ทศพลายาณ10เป็นต้นหรืออย่างยกตัวอย่างเช่นว่าในธรรมสิประการที่บอกพยานของพระบรมศาสดาเนี่ยนะไม่ติดขัดในอดีตพยานของพระบรมศาสดาไม่ติดขัดในอนาคตไม่ติดขัดในปัจจุบันนะ กายกรรมทั of of ้งปวงของพระองค์เป็นไปตามพยานนวจีกรรมโนกรรมก็เป็นไปตามพยานชันท่าของพระบรมศาสดาก็ไม่เสื่อมการแสดงธรรมก็ไม่เสื่อมความเพียรก็ไม่เสื่อมสมาธิก็ไม่เสื่อมปัญญาก็ไม่เสื่อมวิมุติก็ไม่เสื่อมของเราเสื่อมไหมเสื่อมเยอะแยะไปเละฉันทานี่ศรัทธาเราเสื่อมบ่อยไหมโอเสื่อมดูที่ในที่นั่งหลงเหล่งหลวงเหล่งเห็เนี่ยอันนี้บ่งบอกถึงเราเสื่อมไปเรื่อยๆนะ ถ้ า, ามาแสดงทุกวันจะเหลือคนฟังกี่คนสงสัยอามาก็แสดงอยู่องค์เดียว <c oughs> ใช่ไหมลองที่อ้าวอามาเกิดนึกอยากเจ็สรรเสริญคุณของพระบระมาศาสด า, า, า, าขึ้นมาเวลาไหนอ่ะอมาแสดงทุกวันปรนนธาทุกวันเนี่ยถามมีใครกล้ายกมือฟังทุกวันได้ไม <c oughs> บอกโอ้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ไหวหรอกใครจะไปฟังได้ทุกวันถ้าพระริยาที่ฟังทุกวันใช่ไหมถ้าอย่างพวกเรานี่โอ้ไม่ได้แล้ว กิเลกสกระซิบหาตามกันเป็นแถวถ้าขนาดจะมานี่ยังขออนุญาตกิเลสมาเลยขอมาเดี๋ยวจะไปฟังธรรมสักหน่อยนะถามบอกไปแล้วรีบกลับนะใช่ไหมเป็นอย่างนี้จริงไหมบางทีบอกว่าจะมาแต่เช้ามาหลังเที่ยงเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้กิเลสนี่มันก็กว่าจะแหวกวงล้อมลองลอง้ลอมกรงของกิเลสออกมาได้นี่แทบแย่ใช่ไหม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 แล้วเขาหูดหงิดมากเลยนะถ้ากลับบ้านยังไม่ได้แล้วตอนเช้าก็ออกกันมาแต่เช้าเลยตอนเย็นก็รีบกลับตอนเช้าก็ออกก็มุดเข้ามุดออกกันอยู่อย่างนั้นก็ <c oughs> ไม่เห็นโทษของสังสารวัตรสัทีเออประหลาดจริงๆเห็นไหมมันเสื่อมไงฉันทะเสื่อมการการแสดงธรรมก็คือพระเจ้าเนี่ยแสดงธรรมไม่เสื่อมเอามีใครบ้างแสดงธรรมได้ทีละสมเดือน เพื่อเจ้าแสดงทำครั้งละสามเดือนก็แสดงอยู่แล้วพระธานาธิษฐานเนี่ยนะแสดงแบบไหนก็แบบนั้นแหละไม่มีเปลี่ยนเลยยาวมาเนี่ยมาแสดงเนี่ยครั้งที่แล้วแสดงยางมากครั้งนี้ยะปัแปง่ปงไว้อีกอย่างเนี่ยนะความเพียรก็ไม่เสื่อมสมาธิก็ไม่เสื่อมปัญญาก็ไม่เสื่อมวิมุติก็ไม่เสื่อมแล้วก็ไม่มีการกระทำอะไรแบบเล่นๆไม่มีการกระทำอะไรแบบหุนผันหุนหพันแล่นก็ไม่มี ไม่มีสิ่งที่พยานไม่ได้สัมผัสไม่มีเลยอ่ะในโลกธาตุทั้งสิ้นอนะ่ะที่พยานของพระบรมศาสดาไม่เคยสัมผัสไม่มีไม่มีการกระทําแบบรีบด่วนไม่มีความคิดที่ไร้จุดหมายเอาเรามีไหมแล้วเหมื่อยลอยบ่อยไม่วันวันขนาดฟังธรรมยังเหมื่อยลอยใช่ไหมแต่พระบรมศาสดาจักไม่มีความคิดที่ไร้จุดหมายเลยมีจุดหมายปลายทางที่นั่นเอาของเรามีอนุปาธานปนิพันธ์เนี่ยเป็นเป้าหมายตรงเพ่งเลยไหม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 พิจารณาเห็นด้วยการเป็นอ น, นมากก็แผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์พระผู้มีภาคเจ้าทั้งหลายทรงพิจารณาเห็นว่าโลกคือสันนิวะนี่ถูกไฟเผาลุกโชนอยู่ไฟคือราคะโทสะเผาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมพระพรทธมศาสดาก็แผ่มหากรุณาไปในสัตว์ทั้งหลายเพื่ออยากปรารถนาจะช่วยสัตว์นั้นให้ออกจากวัฏฏทุกษ พระผู้มีพระเจ้าของเราทั้งหลายพิจารณาเห็นว่าโลกสันนิวาได้ยกพณแล้วยกระพณแล้วโลกสันนิวาสเนเคลื่อนพลแล้วโลกสันนิวาลลวสเนเดินทางผิดกันเป็นแถวเป็นแนวแล้วมีมิจฉาปฏิปทาไม่ได้เดินมาตามมัชฌิมาปฏิปทาแล้วโลกสันนิวาสี่ถูกชลานําไปแล้วไม่ยั่งยืนตอนนี้ชลาเบียดเบียนไปไหมลุมล้อมนําไปแล้วยั่งยืนไหมเนี่ยชลาเบียดเบียนไปแล้วไม่มีที่ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน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 ก็เกิดพระมหากรุณาที่คุณโลกสันนิวาตไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่เร้นไม่มีที่พึ่งโลกสันนิวาตไม่เป็นที่พึ่งของใครเราไปที่ในกาปประภูมิมีที่พึ่งไหมในรูปประภูมิมีที่พึ่งไหมในรูปประภูมิมีที่พึ่งไหมในรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตาหูจมูกลิ้นกายใจมีที่พึ่งตรงไหนบ้างสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็บอกว่ามีพ่อเป็นที่พึ่งอยู่ไหม โตขึ้นมาหน่อยก็คือว่าแต่งงานก็ฝ่ายชายก็หวังภรรยาเป็นที่พึ่งฝ่ายยะหญิงก็หวังชายเป็นที่พึ่งนะเข้าน่ะเข้าพึ่งกันได้ที่ไหนตอนเนี้ใช่ไหมบางทีก็เอาหวังคนนั้นคนนี้เป็นที่พึ่งเนี่ยโลกสันนิวาตไม่มีที่พึ่งโลกสันนิวาตเนี่ยฟุ้งซ่านไม่สงบพระบรมศาสดาก็แผ่พยานไปในโลกสันนิวาตนั้นโลกสันนิวาตเนี่ยถูกลูกศรมีลูกศรใช้ลูกศรเป็นอันมากเสียดแทงตนเองอยู่ แทนที่จะไปแทงคนอื่นใช่ไหมเอาลูกสรแทงตัวเองอ่ะราคาเป็นลูกสอนไหมแทงตัวเองทุกวันโทสะก็เป็นลูกศรก็แทงตัวเองทุกวันโมหะเป็นลูกศรก็แทงตัวเองาเอราคะมาหน้าทิศทิวิจิกิจฉาแทงอยู่ทุกวันไม่มีใครที่จะปะัสุสลายตัวเองได้เท่าปุถุชนเนี่ยปุถุชนเนี่ยเป็นคนปัสตุสลายตัวเองมากที่สุด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 นอกจากเราไม่มีใครอื่นที่จะช่วยถอนลูกศรโลกสันนิวาสออกได้ถ้าไม่มีพระเจา้พจาพระเจ้า ม, มีคีมคือริยมรรอใช่ไหมพระองค์ก็ถอดออกให้ถอดออกให้ลูกศรเนี่ยเราเป็นคนป่วยไม่เข้าหาหมอไม่ใช่ความผิดของหมอแต่ความผิดของผู้ป่วยตอนนี้เราเป็นผู้ป่วยนะ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 โขค่าตายเนี่ยมันบาปรกรรมตนเองแท้ทาตัวเองใช่ไหมมนุษย์เนี่ยแทงตนเองปุถุชนเนี่ยเบียดเบียนตัวเองแท้นอกจากพระบระมาศ า, าสดาไม่มีใครที่จะถอนลูกศร อ, ออกได้โลกสันนิวาตมีความมืดคื่อวิชาปิดกั้นไว้ถูกขังไว้ด้วยกรงกิเลสนอกจากเราอเราไม่มีใครอื่นที่จะแสดงธรรมให้แสงสว่างแก่โลกสันนิวาสนั้นได้ถามบอกว่ามันมืด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 ยุ่งดุดเส้นได้พันกันเป็นกลุ่มก้อนนะ่ะนุ่งนางเหมือนหญ้าป้องนะ่ะหรือหญ้ามงกะต่ายไม่ร่วงพ้นจากสังสารวัตรกล่าวคืออบายทุกติวินิบาตนารกเป็นต้นได้นอกจากเราไม่มีใครสามารถที่จะสางเนี่ยนะกนะ็ ว, ว่าอาวิชาที่มันห่อหุ้มเนะี่ยเหมือนกับเส้นได้ที่มันพันกันยุ่งมากเป็นกลุ่มก้อนเนะี่ยเราจะสางยังไง ร, ระดับปัญญาของเรานี่ไม่ได้แล้ว ต้องอาศัยอย่างพระพุทธเจ้าโลกสันนิวาตเนี่ยถูกยาพิษที่มีโทษเครวิชาฉาบทายอย่างหนานแน่นมีกิเลส ท, ที่เป็นโทษถูกยาพิษฉาบไว้หมด น, นอกจากพุทธเจ้าไม่มีใครก็โรคชัดไปได้ป่าคือราคาโทสามโมหานอกจากเราไม่มีใครอื่นที่ช่วยสางชัดได้เป็นต้นถูกตัณหาสมไว้ถูกตัณหาครอบไว้ถูกตัณหาพัดภัยถูกตัณหาเกี่ยวคล้องเขาไว้เป็นไปตามตัณหาอุสัยด้วย แล้วก็เร่าร้อนเดือดร้อนเพราะตันหาเร่าร้อนเดือดร้อนเพราะกามาตันหาเพระว่ตันหาเป็นต้นถูกกองทิฐิสมไว้ด้วยไม่สามารถจะออกขายจากทิฐิได้ถูกกระแสทิฐิพัดไปถูกทิฐิสังโยกคล้องเขาไว้เลยเป็นไปตามทิฐานุใสด้วยแล้วก็เดือดร้อนเล่าร้อนเพราะทิฐิชราก็ติดตามอยู่ไหมนีิว่าถูกชลาติดตามพยาที่ครอบงำมรณะก็ห้ามหัน ไอ้ชลามันก็ตามไปพญาทิก็เข้ามาครอบงําเลยทียเนี้ยพอครอบงำเบ็ดเสร็จก็มรณะก็คอยจัดการอยู่อย่างเงี้ยตายแล้วตายเราไอ้มรณะก็คอยตัดกระแสของรูปไปชีวิตนามไปชีวิตที่สิทธจริงๆก็คือว่าโลกสันนิวาสถูกผูกไว้ด้วยเครื่องผูกเปน็นมากได้แก่เครื่องผูกคือราคาะโทสามโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิชานิไดกาโนตปะ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 พระปรมศาสดาก็มาพิจารณานะว่าโลกสนิวาจะตกอยู่ในเหวใหญ่นอกจากเราไม่มีใครอื่นจะช่วยฉุดสัตว์โลกให้พ้นได้โลกสนิวาตนี่กันดานมากทุกวันนี้กันดานไหมเจ้ระกันดานเยอะมากใช่ไหมพยาธิกับกันดานโวกันดานเ่าโรคภัยไข้เจ็บนะอาหารกันดานไหมตอนเนี้ยกันดานไม่กันดานนีไปที่ไหนก็มีอาหารกินเนี่ยโอ้พิษเต็มไปหมดเลยใช่ไหมกันดานแล้วตอนนี้กันดานแล้ว สารพิษเต็มไปหมดไหมเต็มไปหมดอาหารกับกันดานที่อยู่กับกันดานมลพิษกับกันดานกันดานหมดตอนนี้เดือดร้อนระส่ำระสายเบ็ดเสด็จเนะ่เพราะเราได้ผู้นำไม่ดีไงผู้นำโลกต้องระดับพระพุทธเจ้าใช่ไหมถึงจะนำออกจากเครื่องกันดานทั้งหลายโลกสันนิวาสเดินไปในสังสารวัฏอันใหญ่โตนะ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 ชาติชราพญาทีมรณะโสกกาบริเดวทุกโทมรณะสาอุปายาตนอกจากเราแล้วไม่มีใครที่ช่วยดับไฟที่ไฟสิบเอ็ดกองเผากระเสือกระสนดินลนกันเจ็บปวดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยถูกเครื่องโผกพระเจ้าก็บอกว่าโลกสันนิวาตไม่มีที่พึ่งน่ากรุณาน่าสงสารอย่างยิ่งนอกจากเราไม่มีใครอื่นที่จะช่วยได้เลยว่างั้นนะโลกสันนิวาส ถ, ถูกทุกเสียบแทงบีบคั้นมานานแล้วแล้วก็ ติดใจก็หายอยู่เป็นนิดโลกสันนิวาตนี้เป็นโลกที่บอดด้วยมืดด้วยหนวกด้วยเนี่ยนะโลกสันนิวาตนี้มีจักสู่เสื่อมเสื่อมไปหมดแล้วไม่มีผู้นําแล้วโลกสันนิวาตไม่มีผู้นําเอาในโลกเนี่ยนะในกามาภูมิรู ป, ปรภูมิมารู ป, ปรภูมิมีผู้นําที่แท้จริงไหมนอกจากพระเจ้าไม่มีแล้วเสื่อมจักษุของสัตว์เหล่านั้นเสื่อมมองไม่เห็นทางออก ไปสู่ทางที่ผิดหลงทางนอกจากเราไม่มีใครอื่นที่จะช่วยนำพาสัตว์โลกนั้นน่ให้เข้าสู่ทางของอริยะได้พระบระมาศาสดาคิดอย่างนั้นเบ็ดเสร็จก็หาหนทางในการที่จะแก้ไขให้สัตว์นั้นน่ได้รับความสะดวกสบายเป็นต้นหล่าเนี้ยนะในการที่จะเข้าสู่ทางของอริยะเป็นต้นหล่าเนี้ยฉะนั้นในคุณของพระบระมาศาสดาดังกล่าวแล้วนะ พระมหากรุณาที่คุณก็ดีพระปัญญาคุณเป็นต้นก็ดีที่เป็นตัวเกื้อหนุนบารมีที่เราจะศึกษาบารมีธรรมกันเนี่ยนะพระพุทธเจ้านั้นรงเข้ามหากรุณาสมาบัติทุกวันทั้งเย็นและเช้าสิบสอแสนโกดครั้งเข้าพระสมาบัติก็ประมาณสิบสองแสนโกดครั้งรวมเบ็ดเสร็จก็มหาวชิรยานที่สัญจรไปในกระแสกมลสันดานของพระบรมศาสดา24่สิบสี่นโกดนี่นะาการจะพารนาคุณของพระบรมศาสดานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอะ่ะ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 ตรัสไว้โดยการที่กว้างขวางลึกซึ้งสุขุมกัมพีระภาพคนมีปัญญามากจเจริญพุทธคุณได้แต่ก็ไม่สามารถจะนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวได้เพราะอารมณ์เป็นปรมัตถธรรมเป็นสภาวะธรรมฉะนัน้นพิจารณาอย่างนี้แล้วคุณของพระบรมศ า, ศาสดานั้นจึงยังอุปจารละสมาธิให้ตั้งได้สามารถกำจัดธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิคือคนที่จเจริญพุทธคุณนี่นะ พอจเจริญไปจเจริญไปแล้วเนี่ยจะละคามมชันทะได้คือความกำหนัดยินดีจะละพยาบาทได้จะละทีนมามีธาอุแทจกักุกุจาวิจิกิจชาเป็นต้นได้จะละอาวิชาคือความไม่รู้นะจะละอารติความไม่ยินดีนีแล้วจะละอากุศลธรรมโดยตโด ย, โด ย, โดยโวิคัมพนะได้ก่อนเบื้องต้นนี้นะแล้วท่านก็จะเดินต่อสามารถบรรลุ เป็นพาริยาบุคคลเป็นต้นได้ฉั้นฌานไม่เกิดจะมีเพียงอุปจาระปุรชนเมื่อกล่าวยกย่องตถาคตก็กล่าวเพียงได้เล็กน้อยต่ำต้อยเพียงแค่ระดับศีลไม่ใช่วิสัยของปุริชนทั้งหลายนั่นเองพทธเจ้าจึงตรัสพุทธานุสติกรมรฐานไว้ถ้าสูงสุดก็คือสำหรับพาริยามหานามาสไัยใดอริยะสาวโกรึกและลึกถึงคุณของพระตถาคต สมัยนั้นจิตของภริยาสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกุ้มรุมไม่ถูกโทสะกุ้มรุมไม่ถูกโมหะกุ้มรุมจิตของภาริยาสาวกนั้นย่อมตั้งมั่นดีโดยแท้เป็นต้นพระพุทธคนทั้งหลายไม่พึงคิดดังที่ได้กล่าวมาแล้วเนี้ยอาสาธนัญญาณหพุทธส婆รยาน10เวนิกธรรม18อันอาสาธนคุณเหล่าเนี้จะไม่ดำลงอยู่ในสันดานอุปนิสัยที่มาแต่กําเนิดของภาษาวกเราอื่น ย่อมยืนดำรงอยู่ในกำมูลสันดานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นมันเหลวเคยเห็นมันเหลวไหมมันเหลวของสีหะของราชาสีย่อมดำรงอยู่ในย่อมไม่ติดอยู่ในภาชนะที่ไม่ใช่ทองคําก็คุณอย่างอื่นมีชานผลนิโรธทัศมาบาดโพธิปักเกียรธรรมเป็นต้นย่อมมีแก่พระเศขาแล ะ, ะเศขาทั้งหลาย อันหนึ่งคุณอย่างอื่นเช่นชาณาพิญญาศรัทธาก็มีแก่บุริชนทั้งหลายได้